เวลาที่เราไปงานศพกันเราจะเห็นว่าจะมีการนิมนต์พระขึ้นไปชักผ้าบางสกุลที่ที่เมนที่หน้าโรงศพประเพณีมันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล คือสมัยพุทธกาลนี้พระท่านต้องไปหาผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าชาคือผ้าหอ่อศพสมัยพุทธกาลนี้เขาไม่นิยมเผาศพหรือฝังศพเขานี่ยมเอาผ้าหอ่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชาปล่อยให้ร่างกายมันผุพัง ไปพระนักบวชทั้งหลายที่ต้องการมีผ้าก็จะไปเก็บผ้าที่ห่อศพในในป่าช้านี่เองนี่จึงมีเป็นที่มาของการให้ผ้าไปบางสกุลบางสกุลก็คือผ้าหอ่อศพบางสกุลแปลว่าผ้าหอ่อศพ ผ้าป่าป่าช้าแต่เรามักจะเรียกสั้นๆว่าผ้าป่าผ้าบางสกุลแต่ความหมายความเป็นจริงก็คือเป็นผ้าที่หอ่อศพแล้วพอศพเน่าเปื่อยไปเหลือแต่ผ้าเพราะว่าสภาพของร่างกายก็ยุบสลายไปเหลือแต่ครงกระดูก พระที่ต้องการผ้ามาใช้เป็นผ้าจีวร น, นุ่งหม่มก็จะไปเก็บผ้าในป่าชาเพราะไม่มีธรรมเนียมถวายผ้าให้กับพระนักบวชในสมัยนั้นมีเพียงแต่ใส่บาตรพระนักบวชจะไปเดินบาตรบินทบาทในหมู่บ้านแต่พระจะไม่ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากญาติโยม เมื่อพระไม่ขอญาติโยมก็ไม่รู้ว่าพระต้องการอะไรก็เลยไม่มีการถวายอะไรมีแต่ใส่บาตรเพียงอย่างเดียวพระก็ต้องไปหาผ้าเอาเองนี่คือไปไปชักผ้าบางสกุลไปเก็บผ้าในป่าชาในการเก็บผ้าในป่าชาก็จะได้ มีการเจริญธรรมไปด้วยจเจริญปัญญาไปด้วยเคยได้เห็นสัจธรรมความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงหนอะยังมีการกล่าวคำาบางสกุลตอนที่ไปชักผ้ากันว่าอนิจจาวัตถสังขาร า, าคาว่าอนิจจาก็คือไม่เที่ยงสังขาราก็คือ มีสองความหมายความจริงแต่ความหมายที่เราเข้าใจกันทั่วไปก็คือร่างกายสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปการปล่อยวางสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งคือการไม่ยึดไม่ติดกับสังขารร่างกายถ้าเวลาไม่ยึดไม่ติดแล้ว เวลาร่างกายตายไปจะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตนเองก็ดีหรือร่างกายของผู้อื่นก็ดีเราจะรู้ว่ามันเป็นความเป็นจริงของร่างกายที่จะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่ความหมายของสังขารนี้ มีความหมายที่กว้างกว่าสังขารร่างกายเพราะคำว่าสังขา น, นี้แปลได้หลายอย่างมีความหมายอีกความหมายหนึ่งของสังขารก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งนี่ที่อยู่ในนามขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าปล่อยวางสังขารตัวนี้ได้ยิ่งยิ่งจะสุข เต็มที่เลยเป็นบรมสุขเป็นนิพพานเป็นบามังสุขขังเพราะความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการไปหลงตามสังขารนี่เองหลงไปยึดไปติดตามสังขารความคิดต่างๆของเรานี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราต้องทุกข์กันเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็ไปคิดว่าเป็นเขาเป็นเรา แล้วก็ไปเกิดความอยากให้เขาเป็นของเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเขามีการจากไปมีการเปลี่ยนไปเราก็เศร้าโศกเสียใจถ้าเราสามารถมารู้ทันสังขารตัวนี้ได้รู้ว่ามันหลอกให้เราไปยึดไปติดกับคนนั่นคนนี้กับสิ่งนั่นสิ่งนี้ หลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มาแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะสุขดีใจเดียวเดียวแต่พอเวลามันจากไปต้องเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาถ้ารู้ทันตัวนี้แล้วมันก็จะหยุดหยุดหยุดตามสังขาร สังขารบอกว่าไปหาสิ่งนั้นมาหาสิ่งนี้มาเอาสิ่งนั้นเอาสิ่งนี้พอรู้ว่ามันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปทาตามมันก็ไม่มีปัญหาเลยพอมันคิดปั้บมันก็หยุดแล้วคิดอยากได้นู่นอยากมีนี่พอเราไม่ไปทาตามมันมันมันก็หยุดไปถ้ารู้ทันแล้วมันก็จะหยุดปัญหาคือเรารู้ไม่ทันมันเราหลงตามมัน แล้วก็เกิดอารมณ์ไปกับมันเวลาคิดอะไรแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีพอเกิดอารมณ์ก็ต้องไปดับอารมณ์ด้วยการไปทําตามความคิดคิดถึงบุหรี่คิดถึงกาแฟนก็เกิดอารมณ์อยากจะดื่มอยากจะสูบขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดลาคาญใจะ ต้องไปทำตามความคิดทำตามสังขารสังขารบอกให้ไปหยิบบุหรีมาสูบหยิบสุรามาดื่มแต่ถ้าได้ฝึกสติแล้วก็ได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าให้เราดูสังขารความคิดปรุงแต่งว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มันไร้สาระไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำตามมัน ถ้าใจเรามีสติใจเราจะตั้งมั่นอยู่ในสมาธิได้เราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจเราได้ใจของเรานี้ถ้าตั้งมั่นอยู่ในสมาธิมันจะมีสุขของมันที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่จะได้จากสิ่งต่างๆตามที่สังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆหลอกให้เราไปหามานั่นเอง เนี่ยตัวนี้แหละที่เราต้องปล่อยให้ได้ถ้าปล่อยสังขารตัวนี้ได้ปล่อยได้ทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันออกมาจากตัวนี้การยึดติดในร่างกายก็ออกจากสังขารที่อยู่ในข้างในใจนี้การยึดติดในลาบยศสรรเสริญการยึดติดในรูปเสียงเกล่ยนรถต่างๆมันออกมาจากตัวสังขารตัวนี้ตัวนี้ที่แสดงไว้ใน ในปฏิจจส ม, มุปบาทก็ตัวเดียวกันเนี่ยอวิชชาปัจญญาสังขาระใครเป็นผู้ไปสั่งให้สังขารคิดปรุงแต่งก็อวิชชาเนี่ยความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี่อยู่ในใจอยู่ในการไม่มีความอยากแต่มันไม่รู้มันก็เลยไปคิดว่า ความสุขอยู่ข้างนอกใจอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็สั่งให้สังขารคิดปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ก็เลยต้องวุ่นวายกันไปหมดวุ่นวายตั้งแต่ไปเกิดกัน ถ้าไม่มีร่างกายก็ต้องไปเกิดกันไปมีร่างกายพอเกิดมาแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายรักษาร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายไปหาอะไรตามที่สังขารความคิดปรุงแต่งสั่งให้ทําำ สั่งให้ไปหาลาบยศสรรเสริญสั่งให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหามาได้มากน้อยเพียงไรความสุขที่ได้มามันเป็นอย่างไรได้มาปั๊บเดียวก็หมดไปละไปเที่ยวปั๊บกลับมาบ้านก็หายไปละไปกินเลี้ยงไปงานปาร์ตี้กลับมาบ้านก็หายไปละไปซื้อของช้อปปิ้งข้าวของ เต็มไม้เต็มมือเอากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการช้อปปิง้งอยู่ไม่กี่วันก็หายไปแล้วของที่เวลาได้มาใหม่ๆโอ้ยดูแล้วสนุกดีอกดีใจดไูไปสักพักก็เบื่อแล้วไม่มีความสุขจากของที่ซื้อมาเลยนี่แหละสังขารมันหลอกถูกอวิชาสั่ง อวิชามันหลงมันคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงเกลิ่นรสมันก็เลยปรุงแต่งคิดอยู่แต่จะหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ไม่ดีที่ทําให้ ทรมานใจทุกทรมานใจก็เลยต้องไปทําตามความอยากเพื่อที่จะได้ระ ง, งับความทุกขทรมานใจไว้ชั่วคราวอยากสูบบุหรีน่นี่ก็จะเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาอยากดื่นสรุราอยากไปเที่ยวให้อยู่บ้านไม่ยอมอยู่กันอยากออกนอกบ้านกันอยู่ในบ้านแล้วมันหงุดหงิดอยากออกนอกบ้านนะ เพราะความคิดความหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่นอกบ้านในบ้านไม่เห็นมีอะไรให้ความสุขนอกจากเป็นที่หล บ, หลบภัยเป็นที่หลับนอนเท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะได้ความสุขก็ต้องไปตามศูนย์การค้าตามาแหล่งบันเทิงต่างๆเนี่ยสังขารมันคิดแบบนี้เพราะอาวิชชาความหลงมันไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ ความความสงบอยู่ที่การไม่มีความอยากอยู่ที่การไม่ทําตามความอยากอันนี้ไม่มีใครรู้อันนี้อวิชาตัวนี้จะแก้ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาตัดสัรู้แล้มาสอนพวกเราว่าหยุดกวามอยากกันหยุดสังขารอย่าให้มันคิดไปในทางความอยากถ้ามันคิดก็อย่าไปเชื่อมันถ้ามันบอกให้ไปหานู่นหานี่ก็อย่าไปเชื่อมัน ดูปล่อยมันคิดไปคิดไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองถ้าเราไม่ไปทําตามที่มันคิดหรือถ้าเรามาฝึกสติได้เราก็หยุดมันได้ทันทีเลยพอมันคิดอยากจะไปนู่นปั๊บพอเรารู้ทันปั๊บมันก็ดับไปรู้ทันปั๊บมันก็ดับไปถ้าเราไม่ไปทําตามมันต่อไปมันก็ไม่ผุดไม่โผล่ขึ้นมานี่แหละคือตัวสังขารที่เป็นตัวที่ แท้จริงตัวที่ต้องมารู้ทันมันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ต้องไปยึดไปติดมันไม่ต้องไปทำตามมันนั่นเองมันคิดอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ต้องไปเที่ยวคิดอยากจะไปซื้อช้อปปิ้งอะไรของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็ไม่ต้องซื้อถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญา พิจารณาตามความเหมาะสมตามความจำเป็นถ้าคิดว่าต้องไปอาบน้ำเพราะร่างกายมันสกรปรกอันนี้มันก็เป็นเหตุผลก็ไปทำได้ถ้าคิดว่าร่างกายขาดอาหารถึงเวลาต้องให้อาหารกับร่างกายก็ทำไปแบบนี้ทำด้วยปัญญาทำด้วยการไม่ยึดไม่ติดเพราะถ้าไม่มีเหตุผลให้ทำก็ไม่ทำนั่นเอง เหตุผลนี้มันไม่เป็นเหมือนอารมณ์อารมณ์นี้มันไม่มีวันพอไม่มีวันอิ่มมันเป็นตันหาความอยากแต่ถ้าเป็นเหตุผลนี้มันมีเหตุพอไม่มีเหตุมันก็ไม่ต้องทาพอยังไม่หิวยังไม่ถึงเวลากินอาหารก็ไม่กินแต่ถ้าเป็นอารมณ์นี้พอคิดถึงอาหารก็อยากกินขึ้นมาจะเป็นเวลาหรือไม่เป็นเวลาใจอิ่มหรือไม่อิ่ม มันก็อยากกินขึ้นมา ท, าทันทีมันก็จะกินถ้าทาตามสังขารมันก็จะไปกินถ้าไม่ทาตามสังขารมันก็สร้างความทรมานขึ้นมาในใจสร้างความรู้สึกว่าโอ้ยหิวไม่ได้กินอยากหิวทางใจไม่ใช่หิวทางร่างกายถ้ามีสติก็หยุดมันมันคิดปับ๊บรู้ทันมันปับ๊บมันก็หยุดมัน ทิงถ้ามีปัญญาก็ไม่ทำตามมันมันจะดิน้นมันจะคิดยังไงถ้าไม่ทำตามมันสักพักมันก็หมดกำลังสู้เราไม่ได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เราจะต้องทำตามมันเช่นมันอยากไปเที่ยวอย่างนี้อยากไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆอันนี้มันไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่าไปทำ ใช้สติหยุดมันใช้พุทโธพุทโธก็ได้ถ้าเราไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยการรู้ทันมันรู้ทันมันมันก็ยังคิดอยู่เราก็ต้องให้มันหยุดคิดเพราะถ้าปล่อยมันคิดเดี๋ยวเราจะสู้มันไม่ได้เราก็ต้องลองใช้พุทโธพุทโธพุทโธสู้กับมันไปอยากปล่อยให้มันคิดถึงความอยากต่างๆอยากไปเที่ยว อยากไปทำนู่นทำนี่อยากมีนั่นมีนี่พอเรารู้ทันป๊บถ้ามันไม่หยุดเราก็ต้องใช้สติหยุดสแสดงว่าสติเรายังไม่มีกำลังมากพอรู้ทันแต่ยังหยุดมันไม่ได้อย่างเต็มที่หยุดแล้วมันก็ยังไหลต่อยังคิดต่อถ้ามันยังหยุดแล้วพอรู้ทันแล้วว่านี่กำลังคิดปรุงแต่งแล้วกำลังอยากแล้วถ้ามันไม่หยุดนี่ก็ต้องใช้พุโทโธต่อไป ต้องใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดมันให้ได้อย่าให้มันคิดใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปทำตามมันการปล่อยวางสังขารทั้งปวงนี้เป็นสุขอย่างยิ่งท่านบอกอันนี้จะวัตตะวตสังขาราอุปดาวะธรมิโนอุปปจิตตวานนรุชันติ เต่สร้างวุปสมโมสุโขวุปสมโสุโขเป็นสุขอย่างยิ่งการปล่อยวางสังขารต้องปล่อยตัวนี้ถึงจะปล่อยครบหมดทุกอย่างถ้าปล่อยสังขารร่างกายมันเพียงปล่อยร่างกายเท่านั้นแต่มันยังไม่ปล่อยอ ย, อย่างอื่นยังไม่ปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสยังไม่ปล่อยลาบยศจันลเสริญยังไม่ปล่อย ความอยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นอยากมีนี่ปล่อยวางร่างกายนี้เป็นเพยงอันดับแรกของการปล่อยวางนั่นเองแต่ยังต้องปล่อยอีกเยอะปล่อยอารมณ์ปล่อยสังขารอย่าไปทำตามสังขารความคิดปรุงแต่งสรุปก็มีสังขารสอ ง, งัญสังขาร น, นอกกับสังขารในสังขาร น, นอกก็ร่างกาย ที่เราไปงานศพเราไปปงกันอันนี้เราไปทำการบ้านกันเวลาไปงานศพไปหัดปงกันไปหัดปล่อยกันเพราะต่อไปเราจะต้องปล่อยตัวเราร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ของเราถ้าเขายัางอยู่เราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายถ้าเราไม่ตายก่อนเขาเราก็ต้องต้องเห็นเขาตาย ถ้าถ้าเราตายก่อนเขาก็แล้วไปแต่ถ้าเขาตายก่อนเราก็จะต้องถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะทุกข์ทรมานใจจะร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามาทำการบ้านตั้งแต่บัดนี้หัดพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงร่างกายมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดา มันจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครมากำหนดเวลาได้สามวันดีสี่วันไข่เวลามันจะไปมันก็ไปแบบกระทันหันเลยก็มีบางทีมันก็ยื้อไปนานนอนอยู่ในโรงพยาบาลบนเตียงไปนานกว่าจะตายถ้าตายแบบนั้นคนก็มีเวลาที่จะมาทำใจกันก่อนก็จะไม่ค่อยเศร้าโศกเสียใจเหมือนกับถ้าตายแบบกระทันหันแบบไม่ได ทำการบ้านไม่เลยเตรียมตัวกันไว้ก่อนอ น, นั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าต้องตายแน่ๆทุกคนก็เรารีบทาการบ้านในสถานทางนี้ก็เหมือนกับว่าเห็นเขานอนนอนไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราดูร่างกายของคนที่เรารักทุกคนว่ามันเหมือนคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลมันใกล้จะตายแล้วนะต้องมองอย่างนี้มันถึงจะทานการถ้าไปคิดว่าเอ้ยยังแข็งแรง ยังมีอายุน้อยเงี้ยมันก็จะประมาทมันก็จะไม่เตรียมตัวไม่ยอมทำการบ้านเหมือนนักมวยบอกโอยกว่าจะไปชิงโอลิมปิกอีงต้องสองปีตอนนี้ขอเที่ยวก่อนขอเล่นก่อนยังไม่อยากเข้าเข้าฝึกซ้อมพอมันถึงเวลา ใกล้เข้ามามันจะฝึกซ้อมไม่ทันเพราะบางทีเขาเลื่อนในการแข่งขันขึ้นมาทําังไงเขาเลื่อนจากสองปีมาเหลือสองเดือนนี่ทีนี้ไม่มีเวลาซ้อมลเลยอ่นี่ร่างกายเรามันของต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยมันก็เป็นอย่างเนี้ยมันไม่มาเตือนเรามาบอกเราก่อนว่ามันจะไปแล้วนะมันจะเสียแล้วนะมันจะหมดแล้วนะะโดยเฉพาะร่างกายนี้ไม่มีใครรู้จะตายกันเมื่อไหร่ะ คนตายได้ทุกอายุทุกวัยนะเกิดมาวันหนึ่งตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีเจวันตายก็มีปีหนึ่งก็มีสองปีสามมีมีทุกอายุแล้วพวกที่ตายนี้เขาไม่มีใครคิดว่าเขาจะตายตามอายุนั่นเลยเขาคิดว่าเขาจะอยู่ไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่มีใครสอน ไม่มีการพาไปดูของจริงการไปงานศพเมื่อวานนี้พระท่านกเทศดีการไปงานศพนี่แหละจะได้ไปพบของจริงไปที่อื่นนี้ไม่ได้พบของจริงของจริงอยู่ที่ไปงานศพคือชีวิตของเราร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบคนที่เราไปไปแสดงความเสียใจด้วย ถ้าไปฉลาดจะได้ประโยชน์มากกลับมาจากงานศพนี้จะคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆและลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าไม่แน่นะไม่รู้นะเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักคนที่เรารักตอนนี้แข็งแรงอายุยังไม่มากแต่อย่าไปคิดว่าจะไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้นะเกิดขึ้นได้กับทุกคนต้องคิดแบบนี้มันถึงจะได้รีบทําการบ้านกัน พอมันทำการบ้านเสร็จแล้วมันพร้อมที่จะสอบได้ทุกวันมีนข้อสอบมาวันไหนก็สอบได้ทันทีเราไปประมาททำไมเราทำไมบอกว่าเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องดูหนังสือขอเที่ยวขอเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวเกิดเขามาประกาศวันสอบขึ้นมากระทันหันจะทำไม่ทันเนี่ยครูอาจารย์สมัยที่เราเรียนนี่ท่านดีนะบางทีท่านจะให้สอบโดยไม่บอกวัน ไปเข้าห้องปั๊บอกไอ้วันนี้สอบเว้ยเอาอย่างนั้นเลยนั่นแหละั้งเรียนมันจะได้ไม่ไม่ประมาทมันจะต้องทำการบ้านคอยดูหนังสือเตรียมตัวสอบทุกวันนี่แหละคือชีวิตวันสอบของเรามันไม่มีมันไม่มีตารางไม่เหมือนกับเรียนตามโรงเรียนเ็าจะมีตารางสอบสอบเดือนมีนาใกล้ปิดเทอม แต่นี่ไม่มีตารางนะข้อสอบของชีวิตนี่ไม่มีตารางจะมาเมื่อไหร่นี้ทำได้ก็สบายผ่านไปวูปะสมสุขโคขถ้าทำไม่ได้ก็วูปะสมุทุกขโคขร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจนี่แหละคือเรื่องของธรรมะมี ความหมายหลายความหมายบางทีเราศึกษาแล้วถ้าเราไม่ศึกษาภาษาเดิมภาษาของธรรมะเราก็อาจจะคาดเคลื่อนได้แต่เราไปแปลสังขารว่าเป็นร่างกายเราก็จะเพียงแต่ทําข้อสอบที่ร่างกายเราก็อาจจะไม่ไปทําข้อสอบกับอย่างอื่นสิ่งอื่นราบยศจันลเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อันนี้ก็เป็นสังขารคือมันเป็นสิ่งที่สังขารความคิดไปคิดไปยึดไปติดมันไปอยากได้มันเราต้องมาหยุดตัวสังขารตัวในใจนี่มันอยากได้อะไรปับ๊บอยากไปทำตามมันเฝินมันเผินด้วยสติเืินด้วยปัญญาไปแล้วต่อไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมาหรือมันโผล่ขึ้นมาก็ไม่มีความหมาย เรารู้ทันมันแล้วไม่หลงตามมันแล้วมันก็จะไม่ผลิตความทุกข์ความวุ่นวายใจความหงุดหงิดลำคาญใจต่างๆให้กับเราดังนั้นในแต่ละวันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจก็บอกได้เลยว่ากำลังโดนสังขารเล่นงานเราแล้ ว, ลวกำลังหลอกเราละบางวัลเตยก็มาหงุดหงิดลำคาญใจหาสาเหตุไม่ได้ ย้อนไปดูที่ไอ้สังขาร น, นั่นแหะดูไว้ตัวความคิดปรุงแต่งเนี่ยมึงอยากอะไรวะมึงคิดถึงอะไรวะเออมันอยู่ตรงนั้นแหออแล้วถ้ามันอยากก็บอกแล้วมึงทาได้เปล่าทําไม่ได้ก็ทําได้แล้วมันแก้ได้ปัญหาได้เปล่ามันก็ไม่ได้แก้แก้ได้ก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าจะแก้แบบถาวรต้องแก้ไอ้ที่ตัวสังขารตัวนี้ อย่าไปหลงทำตามมันต้องหยุดมันต้องรู้ทันมันแล้วต่อไปมันจะไม่มาสร้างปัญหาให้กับเราต่อไปมันจะเป็นสังขารที่ปรุงแต่งไปตามเหตุตามผลความคิดตามเหตุตามผลนี้ไม่มีความไม่มีอารมณ์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจแต่ถ้าความคิดความเห็นตาม อารมณ์ตามความอยากนี่มันจะมีความทุกข์ทรมานใจตามมาทันทีเเราต้องอามาฝึกสติกันเพราะถ้าเรามาฝึกสติเราจะดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในให้มาดูข้างในถ้าไม่มีสติใจมันจะออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสกันมันจะไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะถูกสังขาร หลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาและแทนที่จะมาแก้ที่ตัวสังขารตัวที่หลอกให้คิดอยากได้นู่นอยากได้นี่มาหยุดไอ้ตัวนี้กลับไปทำตามสังขารให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้มามากน้อยเพียงไรมันก็มันก็ดีใจเดี๋ยวเดียวมีความสุขเดี๋ยวเดียวหรือกำจัดความหงุดหงิดลาคาญใจได้เดียวเดียว เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เดี๋ยวสังขารใหม่มันก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่เองบ้านเราถึงเต็มไปด้วยข้าของเสื้อผ้าที่มีกี่ชุดกันร่างกายมีร่างเดียวไม่ใช่เหรอมันใส่ทีละกี่ชุดวะเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ใส่ได้คาดทีละชุดเดียวทําไมมันต้องมีเยอะแยะเนี่ยดูพระพุทธเจ้าท่านมีชุดเดียวพอแล้ะ มีผ้าไต่หนึ่งสำหรับพอแล้วเนี่ยนี่เสื้อผ้าท่านรู้ทันสังขารความคิดปรุงแต่งอยากได้เสื้อผ้าเยอะๆท่านบอกเอาชุดเดียวพอใช้เหตุผลทําไมต้องมีชุดเดียวก็พอมันพอเนี่ยมันร่างกายมันมีร่างเดียวมันไม่ได้ใส่ทีสามชุดสี่ชุดเนี่ยมันก็ใส่ได้ทีละชุดเท่านั้นเองเอันนี้ต้องใช้เหตุผลมัน จะทำอะไรจะคิดอะไรถ้าคิดแบบเหตุผลนี้ไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นตันหาความอยากไม่เป็นสังขารที่เราจะต้องปล่อยวางเป็นสังขารที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้ mm. หรือสังขารความคิดไปในทางที่จะมากำจัดสังขารก็เป็นสังขารที่ดีเป็นการคิดจะไปทำบุญคิดจะไปรักษาศีลคิดจะไปภาวนาเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ดี เราเป็นความคิดที่จะมารู้ทันความคิดมากําจัดความคิดที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจให้มันหมดไปเพราะถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาก็เหมือนกับไม่มีอาวุธนั่นเองดาราเราเข้าสงครามทหารนี่เขาต้องมีพกอาวุธติดตัวไปหมดนะมีปืนสั้นปืนยาวมีมีด ม, ม, มีระเบิดนะมีอะไรอนะันี่คืออาวุธนะ ความคิดที่ดีก็เป็นอาวุธความคิดในธรรมคิดด้วยเหตุด้วยผลนี้เรียกว่าเป็นธรรมเป็นปัญญาการทำบุญทำทานนี้เป็นปัญญาเกิดมาจากปัญญาปัญญาสอนว่าทำบุญทำทานดีกว่าอยากได้เงินได้ทองอถ้าอยากได้ก็ต้องมีเหตุมีผลเงินทองไม่พอใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายก็หามาตามความจำเป็น แต่อยากได้เยอะๆอยากมีมากๆอยากร่ิมอยากรวยอยากเอาไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆแบบนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นปัญหาเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์วุ่นวายใจตามมาไม่รู้จักจบจากสิน้นตัวนี้สังขารแบบนี้ต้องกําจัดมันต้องหยุดมันนะครับ แต่สังขารแบบเพื่อที่จะเอามาหยุดสังขารตัวไม่ดีนี้พยายามส่งเสริมเหมือนอยากจะทำบุญทำทานเอาเลยอยากจะรักษาศีลมากน้อยเพียงไรรักษาไปเลยอยากจะภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติทำไปเลยทำได้ยิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะมันจะทำให้เราเข้าถึงตัวสังขาร แล้วจะได้จับมันได้หยุดมันได้ปล่อยวางมันได้ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปหลงทำอะไรตามที่มันคิดเนี่ยเวลามันจะคิดอะไรต้องมากรองด้วยปัญญาก่อนกรองด้วยสติก็ปัญญาคือว่ามีเหตุมีผลหรือไม่ถ้ามีเหตุมีผลไม่เป็นไรทำได้เพราะมันไม่ได้เป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์อย่าไปทำมันเพราะว่ามันจะไม่มีวันพอ อารมณ์ก็คือตัณหาความอยากนีอ่อยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้ครบก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วามันจะอยากไปเรื่อยๆท่านว่าความอยากนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากยิ่งกว่ามหาสมุทรมหาสมุทรนี้ใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็สู้ความอยากไม่ได้มหาสมุทรนี้เขายังมีขอบมีฝังนะ แต่ความอยากนี่ไม่มีขอบไม่มีฝั่งถ้าลองไปปล่อยให้ทําตามอารมณ์ทําตามความอยากแล้วทําเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเมื่อไม่พอมันก็จะไม่มีวันสุขแล้วเวลาที่มันไม่ได้ทําตามความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันี่คือเรื่องของสังขารที่คนทั่วไปอาจจะคิดไม่ถึงกัน ก็คิดเพียงแต่สังขารร่างกายก็ยังดีถ้าปล่อยวางร่างกายได้ก็ยังดีก็ลดความทุกข์ไปได้เยอะแต่ยังไม่หมดนะเพราะว่าตัวสังขารที่อยู่ในใจมันยังไปยึดไปติดเรื่องอื่นได้อยู่ไปติดกับไม่มีร่างกายมันก็ไปติดกับอารมณ์ในใจอยู่ติดกับความสุขที่มีอยู่ในใจความสุขที่มีอยู่ภายในใจมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน มีเกิดมีดับมีสุขมีทุกข์ได้เหมือนกันต้องรู้ทันอย่าไปอยากมันอย่าไปอยากกับความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในใจพิจารณามันเหมือนกับร่างกายเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้อยู่แบบไม่ต้องอยู่ไม่ต้องเสพกับความสุขภายในใจก็ได้เสพ พอไม่เสพไม่ยึดไม่ติดไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปมันก็จะสุขไปตลอดถึงแม้ว่าจะต้องอยู่กับความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในใจแต่มันจะไม่สุขไม่ทุกข์กับความสุขความทุกข์ในใจมันจะรู้ทันมันจะเฉยเฉยอันนี้อารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีอันนี้อารมณ์ดีก็รู้ว่าอารมณ์ดีแต่ไม่ได้มีอยากให้มัน หายไปหรืออยากให้มันอยู่ไปนานๆถ้าอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะหายไปมันยิ่งทำให้อารมณ์เสียใหญ่ถ้าอารมณ์ดีอยากจะให้มันอยู่เดี๋ยวอารมณ์ดีก็หายไปพอมีอะไรมากระทบหน่อยมันก็หายไปก็จะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาได้อันนี้คือสังขารตัวที่สาคัญที่ส่วนใหญ่ผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมในระดับภาวนานี้จะเข้าไม่ถึงตัวนี้ จะไม่รู้จักตัวนี้ไม่รู้จักสังขารความคิดปรุงแต่งถ้ารู้ก็ยังไม่ถึงเข้าไม่ถึงตัวรู้แบบสัญญารู้แบบตอนนี้ตอนนี้ฟังแล้วเข้าใจออมีสัญญาอีกตัวหนึง่งคือสังขารความคิดปรุงแต่งแต่จะไปควบคุมไปไ ป, ไปปล่อยวางมันนี่ยังปล่อยไม่ได้พอมันคิดอะไรขึ้นมานี่ยังวิ่งตามมันทันทีมันคิดให้ไปเอา้อานู่น้นี่กลับไปทันที ก็ให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็จะไปทันทีไอ้ตัวนี้ต้องภาวนาต้องมีสติจิตถึงจะเข้าใกล้ตัวนี้ได้ถ้ามีสติสติมันจะหยุดสังขารพอหยุดสังขารมันก็เหมือนเข้าใกล้เหมือนถ้าหยุดสังขารไม่ได้มันก็จะอยู่ไกลพอมีสติมันก็จะหยุดพอหยุดก็เข้าใกล้มันได้พอมันปรุงแต่งก็หยุดมันได้หรือรู้ทั่นมันได้ ปล่อยวางมันได้ไม่ไปติดมันเหมือนเมื่อก่อนนี่แหละคือสังขารตัวสำคัญที่สุดตัวที่ถ้าปล่อยตัวนี้ได้แล้วเราก็จะได้นิบานังประมังสุขขังถ้าปล่อยสังขารตัวร่างกายก็จะได้ระดับโสดาบันไปก่อนถ้าปล่อยวางสังขารร่างกายได้ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย จะไม่ทำบาปเพื่อรักษาร่างกายยอมตายถ้าถ้าร่างกายมันจะตายแล้วไม่สามารถรักษามันได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็จะไม่ไปทำบาปยอมให้มันตายเพราะเห็นว่าการทำบาปนี้มันจะส่งจิตให้ไปอบายต่อไปสู้ไม่ไปอบายดีกว่าสู้ปล่อยให้ร่างกายสังขารนี้ที่จะต้องตายให้มันตายไปดีกว่า เรื่องอะไรต้องไปเสียเสียเงินทองกับการรักษาสิ่งที่เรารักษาไม่ได้ทำไมเช่นโรงพยาบาลนีเห็นไหมพระปฏิบัตินี้ท่านไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเสียดายเงิน <c oughs> คือไม่ได้เสียดายไม่มีเงินจะเสีย <c oughs> ก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลเสียไปรักษาไปก็เท่านั้นรักษาไปหมดไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันตะมันไม่ตายหรือเปล่า มันก็ตายอยู่ดีต้อไปรักษามันให้เหนื่อยทำไมให้มันทรมาณทำไมคนที่เขาทำการบ้านแล้วเขาเขาไม่วุ่นวายไปกับสังขารร่างกายปล่อยให้มันตายไปตามเรื่องของมันมันอยากจะตายก็ตายอยู่ก็อยู่ไปแต่ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวสำคัญอะไรเลยถ้าเราไม่ได้หาความสุขจากร่างกายแล้ว ผ่านทางร่างกายแล้วร่างกายก็ไม่มีความหมายเลยถ้าเราสามารถหาความสุขจากการระงับดับสังขารภายในใจได้ก็สบายแล้วการระดับงับสังขารภายในใจเนี้เป็นสุขอย่างยิ่งนะก็มีสองระดับนะระดับแรกก็สมาธิเนี่ยเวลาลนั่งสมาธิพุโทโธพุทโธดูลลมนี่มันก็ไปหยุดสังขาร น, นี่ความคิดปรุงแต่งพอหยุดปั๊บความอยากอะไรมันก็ดับไปความทุกข์อะไรก็หายไป ความสุขอย่างยิ่งก็โผล่ขึ้นมานัตติสันติพลังสุขขังก็โผล่ขึ้นมาแต่มันชั่วคราวนั่นเองเดี๋ยวพอกำลังสติหมดมันก็ต้องถอยออกมาออกมาแล้วก็ก็จะไปคิดปรุงแต่งแล้วก็ไปสร้างปัญหาความอยากต่างๆขึ้นมาใหม่ถ้าจะระดับถาวรก็ต้องรู้ทันในตัวสังขารปรุงแต่งตัวนี้ว่ากูจะทาตามมันไม่ได้เป็นอันขาดอะไรที่เป็นความอยากจะไม่ทำ เพราะทำแล้วมันจะไม่มีวันจบไม่มีวันสุขสุกเดียวเดียวสู้ไม่ทำดีกว่าพอไม่ทำตามมันระงับความหลงความยึดติดในสังขารได้สังขารก็จะหมดกําลังไปชวนเราไปทำอะไรก็ไม่ไปชวนให้อยากได้นี่นี่ก็ไม่อยากต่อไปมันก็เฉยไปหมดมันก็เช้าไปดับไป ไม่มีอะไรจะมารบกวนใจไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอันนี้เรียกว่านิบบานังประมังสุขขังอันนี้นะจะได้วูปัสสโมสุขโคขที่ครบถ้วนบริบูรณ์ร้อยเอร์เซ็นตถ้าปล่อยวางสังขารร่างกายก็ได้ประมาณยี่สิบห้าสามสิเปอร์เซ็นตถ้าปล่อยสังขารตัวนี้ได้สังขารข้างในได้ก็ร้อยเอร์เซ็นต อันนี้คือเรื่องของอนิจจาวัตสังขาราที่เราจะเวลาเราไปงานศพเราจะมีทมพิธีอย่างนี้กันนี่ถ้าไม่มีใครสอนอธิบายก็ไม่เข้าใจก็ทํากันไปอย่างนั้นทําไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวทาไปก็รู้เพียงแต่ว่าถวายผ้าให้พระพระพระที่ไปชักผ้าจะได้มีผ้าที่วอนไม่สวมใส่ ท่า น, นั้นเองอความจริงแล้วก็คือให้เรามาปล่อยวางสังขารทั้งสังขาร น, นอกสังขารในสังขาร น, นอกก็คือร่างกายสังขารในก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่วันนี้เดี๋ยวจะมีการถามตอบ ป, ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ก็เลยขอหยุดการแสดง ไว้เพียงเท่านี้เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ใครที่อยากจะถามคำถามยังมีเวลาถามได้ประมาณสักยี่สิบนาทีถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ทางบ้านถ้าใครอยากจะถามก็จะเริ่มส่งคำถามเข้ามาได้เลยจะรอรับคำถามนะจะตอบให้ฟัง จนถึงเวลาประมาณ3โมง5นาทีแล้วก็จะให้พรแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถามตอบปัญหาเป็นภาษาอังกฤษต่อไปมีคำถามไหมมีก็ลองถามดีกว่าวันนี้ก็มาเท่าไหร่วันนี้ทาง เฟซบุ๊กเข้ามา396ยูทูบ241วิทยุออนไลน์21รับฟังข้างบนนี้44คนรวมทั้งหมด702คนครับวันนี้เข้ามาเยอะหน่อยถ้าเกิน600ก็ถือว่าเ ก, เกินเกณฑ์ของปกติปกติก็อยู่ในช่วง600ถ้าต่ำกว่า6ก็ถือว่ามีนักเรียนหนีเรียน ถ้าเกินหก็มีนักเรียนใหม่เข้ามาใครอยากจะถามอะไรก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะจะเริ่มตอบตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยคำถามจากทางอินบ็อกซ์นะครับทำไมตอนนี้จึงมีความรู้สึกอยากไปวัดและได้กราบพระอาจารย์มากรู้สึกว่าจิตแว่งมากทั้งทั้งที่ก็ปฏิบัติธรรมมานานสิบกว่าปีแล้ว ถ้าได้ไปอยู่ที่สงบห่างไกลจากผู้คนน่าจะดีขึ้นบ้างไหมเจ้าคะตอนนี้ตัวอยู่ที่หนึ่งแต่บอกกับเพื่อนๆว่าอยู่อีกที่หนึ่งก็เป็นการโกหกแต่อยากอยู่เงียบๆอยู่กับร่องกับรอยที่สมควรครับก็ไม่ต้องโกหกก็ได้เพียงแต่ไม่ต้องบอกเขาว่าเราอยู่ที่ไหนเหมือนจะมีใครมาบังคับให้เราพูดอะไรได้เลยถ้าเราไม่พูดสอย่างทาไมคนใบ้ทำไมไม่มีใครไปบังคับใหเขาพูดได้ ทำไมเราทำตัวเป็นคนบ้บ้างไม่ได้อะใช่ไห ม, ไมใครถามอะไรแล้วถ้าเราต้องตอบแบบโกหกก็ทำเป็นคนใบ้ไป อ, อไืออืออยาตอนนี้ขอเป็นคนใบ้หน่อยบอกอยงนี้ก็แล้วกันก็ไม่ต้องโกหกนะไม่ต้องไปโกหกใครถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ทำตัวเป็นคนไบ้ไปก็แล้วกันการที่เราอยากจะไปที่ อื่นนั้นก็ที่สงบก็เพราะว่าสถานที่มันมีส่วนที่จะส่งเสริมความสงบนั่นเองถ้าอยู่ในที่วุ่นวายมันก็สงบยากถ้าไปอยู่ในที่สงบนี่มันสงบง่ายไม่มีอะไรมารบกวนเหมือนน้ำในสระเนี่ยถ้ามีเด็กไปเล่นน้ำไปกระโดดน้ำนี่มันไม่มีวันนิ่งแต่ถ้าน้ำในสระไม่มีใครไปเล่นน้ำไม่มีใครไปตักน้ำเนี่ยน้ามันก็จะนิ่งจะใส อันนี้ก็เหมือนการจิตใจของพวกเราถ้าอยู่ในสถานที่ที่วุ่นวายนี่มันจะวุ่นวายตามสถานที่ถ้าอยู่ในที่สงบมันก็จะสงบตามสถานที่ท่านถึงมีคำพูดว่ากายวิเวกแล้วจิตจะวิเวกนะกายต้องวิเวกก่อนคือกายต้องไปใ น, ในสถานที่ที่วิเวกพอสถานอยู่ในสถานที่วิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกวิเวกก็คือสงบสงัดวังเวงนั่นเองอ คำถามต่อไปจากคุณวิมลสิริเวลาเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีความคิดลบหลูแบบหยาบคายในทางไม่ดีขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดรู้สึกกลัวบาปค่ะควรทำอย่างไรกลัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองไม่สบายใจเลยค่ะอถ้ามีสติก็ให้รู้ทันสังขารว่ามันก็เป็นแค่ความคิดนันเองความคิดในใจไม่มีถ้าเราไม่ไปหลงตามมันนั้นไม่มีปัญหาเลย มันจะคิดมันจะลบหลู่จะเกียดใครก็ให้รู้ทันมันถ้าไม่อยากให้มันโผล่ขึ้นมาก็สอนว่าความคิดแบบนี้ไม่ดีเพราะถ้าไม่ระวังเดี๋ยวมันจะพาให้เราไปทําอะไรที่ไม่ดีต่อไปแต่ถ้าเรารู้ทันว่ามันเป็นแค่ความคิดก็หยุดมันได้ตรงนั้นนะคิดไม่ดีก็รู้ว่ามันคิดไม่ดีก็ท่านเองก็อย่าไปพูดอย่าไปทําตามที่มันคิดก็แล้วกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่ทันมัน เราคิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันอดที่จะพูดไม่ได้อดที่จะทำไม่ได้มีคำถามาไหมมีครับต่อไปคำถามต่อไปจากคุณปาล์มความคิดต่างๆที่ผุดขึ้นมาเราก็สามารถมองมันเกิดและดับเหมือนกับเวทนาทางกายถ้าเวทนาทางกายมันไม่ใช่เราแล้วความคิดต่างๆที่ผุดขึ้นในใจนั้นคือตัวเราหรือเปล่าคะ แล้วตัวเราอยู่ตรงไหนไม่มีตัวเราไม่มีมันเป็นเป็นความหลงไปคิดว่ามีเราทั้งนี้ก็สังขารเนี่ยไอ้ตัวคิดไปคิดว่าเป็นเราขึ้นมาแล้วเราก็ไปเชื่อมันเนี่ยไอ้สังขารคิดแล้วจิตก็ไปเชื่อตามความคิด ถ้ารู้ทันว่ามันเป็นเพียงความคิดมันไม่มีเราร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาความรู้สึกก็ไม่ใช่เราความคิดก็ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยฝนตกก็ไม่ใช่เราแดดออกก็ไม่ใช่เราความคิดก็ไม่ใช่เราเมื่อผุดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนผ้าทิศขึ้นแล้วก็ผ้าที่ตกเหมือนฝนตกแล้วฝนหยุดเนี่ยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติแต่อวิชามันมา คิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเองเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณกริชนั่งสมาธิอาการไหนที่บ่งบอกว่าเราเข้าสู่สมาธิแล้วครับเออมันรู้เองอันนี้สันทิทิโกสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นขอให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรอยู่กับลมไปอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว อย่าไปคาดกาเณ์ว่ามันสงบแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ของนี้คาดไม่ได้มันต้องเป็นของเซอร์ไพรส์เป็นของแบบมาโดยไม่รู้สึกตัวถ้าไปจอ่อไปจอ่อไปรอมันมันไม่มาอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไป แล้วเดี๋ยวพอมันถึงมันร้องอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่อยากจะอธิบายพออธิบายปั๊บมันจะไปคาดทันทีมันจะไปปรุงแต่งขึ้นมาทันทีแทนที่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมมันก็ไปนั่งเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้สักทีเมื่อไหร่จะตกเหวตกหลุมตกบ่อสักทีอ่อย่างงี้ไม่มีวันตกหรอกต้องอยู่กับลมอย่างเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไปของมันเองคําถามต่อไปจากคุณไพโรธ ธรรมดาชอบคิดนําไปสู่ความอยากต่างๆนานาทําอย่างไรจะตัดกระแสนี้ได้ครับอะไรเป็นเหตุให้ตัดกระแสสังคปะครับก็สติสติและปัญญาสติก็จะตัดแบบชั่วคราวไม่ใช่สมุทเฉดถ้าปัญญาก็จะตัดแบบถาวรแบบสมุทเฉด ขั้นต้นต้องใช้สติก่อนเพราะมันง่ายกว่าปัญญาปัญญานี่มันยากแล้วต้องมีสติเป็นผู้สนับสนุนถึงจะใช้ปัญญาได้เห็น้เบื้องต้นต้องใช้สติก่อนฝึกสติให้มากพุทโธให้มากพุทโธมันไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นั่งดูลมหายใจเวลานั่งสมาธิสลับกันไปทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีกาลังหยุดสังขารได้เอง แ้วพอหยุดสังขารได้ทีนี้ก็ใช้ปัญญาให้มันคิดไปในทางปัญญาได้สติเป็นตัวสั่งให้คิดไปในทางปัญญาได้ถ้ายังไม่มีสติสั่งให้สังขารคิดไปในทางปัญญาไม่ได้สังขารมันจะคิดไปทางกิเลสเสมอคำถามต่อไปจากคุณเล่ยยี่สิบเก้าการสวดมนต์ได้ทุกวันเราจะได้บุญไหมคะ ก็เป็นการฝึกสติถ้าสวนถุถ้าสวนโดยที่ไม่ส่งใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะได้บุญคือสตินี่เวลาสวดต้องอยาดสวดแบบใจลอยสวดไปก็คิดถึงขนมคิดถึงกับข้าวคิดถึงคนนั่นคิดถึงวันนี้แต่อย่างนี้สวดไปก็ไม่ได้อะไรต้องสวดแบบใจว่างจากความคิดต่างๆคำถามต่อไปจากคุณพยกักษ ระหว่างไหว้พระสวดมนต์กับนั่งสมาธิเฝ้าดูลมหายใจของตัวเองอย่างไหนสำคัญกว่าครับเพราะทำงานมาเหนื่อยล้าไหว้พระสวดมนต์กว่าจะเสร็จก็เกิดความง่วงทำให้นั่งสมาธิได้ไม่นานครับถ้าผมจะเลือกเน้นแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับมันก็อยู่ที่กําลังจิตของเราว่าเรานั่งสมาธิได้เลยหรือไม่บางทีนั่งแล้วมันก็ฟุ้งทางานมามันคิดอยู่ทั้งวัน พอกลับมานั่งมันก็ยังคิดถึงเรื่องที่ทํางานอยู่นั่งไปก็ไม่ได้ประโยชน์อีกถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ก็ต้องสวดแบบม่ให้มันไปคิดเนี่ยแต่การสวดมนต์นี้มันจะหยุดความคิดได้ง่ายกว่าการมานั่งดูลมถ้าจะนั่งดูลมนี้ต้องความคิดต้องเบาลงแล้วถึงจะนั่งดูลมได้ นั้นก็อยู่ที่ระดับจิตของเราว่ามันอยู่ในระดับไหนมันคิดมากคิดน้อยถ้ามันคิดมากมันฟุ้งมากอยาให้มันนั่งดูลมมันไม่ยอมดูมอย่างนี้นก็ดูลมไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อน คำถามต่อไปจากคุณอ้อประชาชนคนทั่วไปควรเรียนรู้และอ่านพระไตรปีฎกไหมครับก็เรียนรู้ได้ไม่จําเป็นจะต้องอ่านทั้งทั้งพระไตรปิฎกเรียนพระสูตรสามามสามัามามญไม่กี่พระสูตรนั่นเองที่เคยพูดอยู่เรื่อยอันแรกก็มงคลสูตรนะสองกับธรรมจักกับ ป, บปวตนาสูตรสามอนัตตลักษณคณะสูตรสี่สติปฐานสูตร สี่แล้วมีอีกอันหนึ่งเราจำชื่อไม่ได้เป็นอาทิตยอาทิตยะสูตรอะไรเนี่ยออมีแค่นี้ก็สามารถที่จะได้ภาพรวมของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วส่วนถ้าต้องการรายละเอียดลึกซึ้งก็ต้องไปค้นคว้าหาในแต่ละหัวข้ออีกทีนึงว่า เ, เป็นอย่างไรมีอย่างไรบ้าง เ, ออเดี๋ยวคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณนัทวุฒ ตอนที่เรานั่งเจริญโสดมน์ภาวนาทําสมาธิก็ดีเกิดอาการกลัวใจสั่นขึ้นมามีวิธีคิดแบบไหนเพื่อหยุดอาการแบบนี้ได้ครับเพราะเวลาเกิดอาการเหล่านี้มาทีไรกายสังขารก็เร่าร้อนไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้ทําให้รบกวนการเจริญสมาธิมากๆครับก็ต้องใช้สติใช้คําบริกรรมนะพอเกิดอาการไม่ดีขึ้นมาก็ พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธ ท, ธทมโมสังโฆไปหรือจะสวดมนติปิโสไปก็ได้สวดไปเรื่อยจนกว่าความกลัวความอาการไม่ดีต่างๆมันสงบตัวลงนะเอาแล้วนะช่วงนี้ช่วงภาษาไทยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลาง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธามมณิโชติราโสยะธาสัพพิตโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินัศสตุมาเตภวตวันตารายอสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาฒนสีริศานิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวทาติอายุวโนสุขังภาลั